ต้องเลิกนะปล่อยให้หมดเลยอย่าไปเพ่งไว้ดีขึ้นแล้วแต่ยังไม่หมดนะดีแล้วที่นั่งทางนู้นนั่งตรงนี้เนะเดี๋ยวเราเทศแต่เรื่องสมถะคือคืออย่าไปบังคับตัวเองพวกเราเวลาคิดเรื่องปฏิบัติที่ไรนะถ้าไม่บังคับกายก็บังคับใจการบังคับกายก็ทำให้กายลำบากบังคับใจก็ทำให้ใจลำบากมันก็คืออตัตตากิมัฐานุโยค ทำตัวเองให้ลำบากลำบากไหมยังไปเดินจงกลมนะเคยเดินสบายๆก็ต้องเดินไม่เหมือนคนธรรมดาแล้วเดินแปลกๆบางคนเดินตัวแข็งๆมีบางแห่งนะสอนเดินท่าตลกมากเลยท่าเดินเดินท่า น, นี้นะเดินท่า น, นี้นะ <c oughs> มีจริงๆ <c oughs> บางคนนะเดินทำมืออย่างนี้นะก็ยกขาอูยกสูงมากเลยเหมือนเต้นโขนเลยตุ้มตุ้มเดินไปถ้าไม่พิการก็บุญละบางทีก็เดินย่องย่องย่อ ง, องใครรู้จักนกกระยางใครนกกระยางย่องหาปลานย่องไปเรื่อยๆอะไรที่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเลิกเลิกแล ถ้าเดินท่านนะั้นมันดีจริงแล้วก็แล้วก็บรรลุมรัผลได้แล้วพระพุทธเจ้าก็สอนแล้วล่ะภิกษุทั้งหลายเธอจงเดินจงกลมหนึ่งเก้าใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยหรือหนึ่งนะไปกลับเนี่ยใช้เวลาหนึ่งชั่วยามท่านไม่ได้สอนเลยนะว่าเดินท่านไหนสอนง่ายๆภิกษุทั้งหลายเมื่อเดินอยู่ให้รู้ชัดว่าเดินอยู่แค่นี้เอง เราเรียนเกินที่พระเจ้าสอนเราเชื่ออาจารย์มากกว่าเชื่อพระพุทธเจ้าถ้าเมื่อไรเราเพิ่มขั้นตอนลงไปนะสิ่งที่เกิดขึ้นง่ายๆเลยคือสมถะเพิ่มขั้นตอนลงไปเช่นจะเดินจงกรมต้องมีเท่านี้จังหวะจะหายใจต้องมีจุดกระทบเท่านี้แห่งมันเหมือนเอาเชือกไปมัดมัดเป็นปล้องๆละมัดจิตนะไม่ให้กระดุกกระดิกอย่างรู้ลมหายใจนะรู้ตั้งแต่ลมกระทบจังอยปากนี่ มัดไว้ที่งแล้วไม่ให้จิตหนีไปที่อื่ yo, affe, น ikka, นะจิตต้องอยู่ตรงนี้ลมมากระทบปลายจมูกมัดไว้อีกทิงแล้วลมกระทบเพดานกระทบคอนะกระทบหน้าอกกระทบท้องจี้จุดจุดจุดจุดไปเลยเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้จิตหนีไปที่อื่นการภาวนาเพ seul, ื да. одной, so. ่อไม่ให้จิตหนีไปไหนมาไหนนั่นก็คือสมถะนั่นเอง อย่างเราจี้ไว้ที่ท้องนะั่นท้องไหวอยู่งนี้ก็รู้ตลอดเลยจ่อไว้ไม่ให้จิตหนีไปที่อื่นก็คือสมถะเดินจงกรมนะจิตอยู่ที่เท้าจ่ออยู่ที่เท้าเท้าขยับยังไง ร, รู้หมดเลยอานนั้นก็คือสมถะจิตหนีไปไหนไม่ได้พิปัสนาจะไม่ได้จงใจให้จิตไปอยู่ที่ใดที่หนึ่งพิปัสนาเนี่ยเราจะต้องฝึกให้มีสติสติไม่ได้ฝึกเกิดจากการเอาจิตไปกาหนดไว้ที่ใดที่หนึ่งคนละเรื่องเลย สติเกิดจากทีระสัญญาคือการที่จิตจําสภาวะได้แม่นงั้นหัดดูสภาวะนดูไปอย่างเดียวเลยอย่าไปทําแต่สมถะนะสมถะนะั้นมันบังคับจิตบังคับตลอดเลยบังคับให้อยู่ในอารมณ์อันเดียวอารมณ์ที่เราเลือกด้วยอารมณ์ที่ต้องการเนะี่ยมีปั ส, สนานะั้นังไม่มีการบังคับว่าจิตจะต้องอยู่ตรงนั้นตรงนี้ตสติเป็นเกิดขึ้นมาเองสติก็ไประลึกรู้ บางทีราลึกรู้กายนะบางทีะระลึกรู้เวทนาบางทีะระลึกรู้จิตที่เป็นกุศลและอกุศลเนี่ยบางทีก็ะระลึกเห็นกระบวนการทำงานของจิตที่เรียกว่าธรรมขึ้นธรรมานุปัสสนาเนี่ยเราจะเห็นกระบวนการของมันถ้ากายเวทนาจิตเนี่ยเราจะเห็นตัวสภาวะของมันเงินดูกายเวทนาจิตไปเรื่อยนะต่อไปก็จะเห็นกระบวนการ เช่นนิวรณ์นิวรณ์ทำงานขึ้นมาได้ไงนิวรณ์เกิดมาได้ไงนิวรณ์เกิดมาแล้วมีบทบาทไงนิวรณ์ดับไปได้ยังไงนิวรณ์จะไม่เกิดใหม่ได้ยังไงเห็นกระบวนการจะเห็นกระบวนการเกิดขึ้นของโพชชงจะเห็นกระบวนการทำงานของขันห้าจะเห็นกระบวนการของจิตที่มีอวิชชาจนปรุงแต่งความทุกข์ขึ้นมาที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทเนี่ธรรมานุปัสนานี่ยจะไปเหตุกระบวนการทำงานของมัน จิตเลือกไม่ได้ว่าจะรู้อะไรเห็นอะไรสติมันไปรู้เองสติเป็นอนัตตาเพราฉะ้นถ้าปฏิบัติถูกต้องนะจะไม่มีคำว่าผมปฏิบัติสายกายดิฉันปฏิบัติสายจิตไม่มีถ้าใครยังคิดว่ามีสายกายสายจิตเขาเรียกว่ายังทำมิปัสนาไม่เป็นเนี่ยใช้คำร้ายแรงทำไม่เป็นก็ไม่เป็นจริงๆนั่นแหละ ถ้าเป็นจริงๆจิตมันทําของมันเองเดี๋ยวก็สติระลึกรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมแล้วแต่มันจะระลึกเราเลือกไม่ได้สติระลึกไปเรื่อยๆแล้วทำยังไงจะเกิดปัญญาเห็นแจ้งสติระลึกอย่างเดียวยังไม่พอไม่มีปัญญาเห็นแจ้งต้องมีจิตที่ตั้งมั่นมีสัมมาสมาธิด้วยถ้าขาดสมาสมาธิคือขาดความตั้งมั่นในขณะที่สติระลึกรู้รูป ร, รู้นามก็ปัญญาจะไม่เกิด สัมมาสมาธินั่นเป็นองค์ธรรมที่สุดแสนจะอาภัพคนไม่ค่อยเรียนกันบางคนคิดว่าสัมมาสมาธินี่โอ้ยไม่ต้องเรียนหรอกเพราะอะไรเพราะสมาธิคือเอกคตาเป็นเจตสิกที่เกิดกับจิตทุกดวงอยู่แล้วก็ไปคิดง่ายๆแค่นั้นคือการที่จิตไปจดจ่อรู้อารมณ์จิตมันรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวเลยคิดว่าตลอดเวลานั้นน่ะมีสมาธิอยู่แล้วมีสมาธิจริงแต่ไม่ใช่สัมมาสมาธิคนละเรื่องเงิน นน้อยู่ๆก็โมเมบอกไม่ต้องไปเรียนเรื่องสัมมาสมาธิหรอกเพราะสมาธิเกิดร่วมกับจิต ท, ทุกดวงไอ้นั้นมันมิจฉาสมาธิยากเหลือเกินที่สัมมาสมาธิจะเกิดถ้าไม่เรียนให้ดีจะต้องค่อยๆเรียนนะมิธีเรียนมีสองอย่างอันหนึ่งทําฌานไปยกตัวอย่างเรารู้ลมหายใจทีแรกลมหายใจนี่เขาเรียกว่าบริกรรมนิมิตรู้ตัวลมหายใจเห็นลมนะลมกระทบเห็นดูเล่นๆดูแบบใจเป็นคนดู อย่าให้จิตไหลเข้าไปอยู่ที่ลมนะจิตไหลที่อยู่ที่ลมจะเป็นการเพ่งลมฌานไม่เกิดหรอกให้รู้มันให้รู้ลมเห็นร่างกายมีหายใจเห็นหายใจหายใจดูอย่างสบายๆดูอย่างผ่อนคลายถ้าไปเพ่งเราจะไม่ผ่อนคลายถ้าจิตไม่ผ่อนคลายจิตไม่มีความสุขจิตไม่มีความสุขสมาธิจะไม่เกิดจำไว้นะมันมีกระบวนการของมันนะมีเหตุมีผลมีต้นมีปลายทั้งสิ้นเลยงั้นเรารู้เราเห็นร่างกายหายใจรู้เล่นๆไป ดูไปเรื่อยๆจิตใจมีความสุขมีความสบายลมหายใจมันค่อยๆแปลสภาพไปเป็นแสงสว่างเราจะเห็นลมเป็นแสงแเป็นเส้นนะลมการที่เรารู้แสงสว่างอันนี้ยตัวนี้ไม่ใช่บริกรรมนิมิตไม่ใช่ลมตัวเดิมละตัวนี้เขาเรียกว่าอุคะห์นิมิตเป็นอุคะห์นิมิตขึ้นมาเราดูเห็นแสงสว่งางแล้วใจเราสบายดูเล่นๆไปทีแรกมันจะยืดยาว เห็นเป็นแสงเป็นเกลียววิ่งมันจะรวมขึ้นมาเป็นดวงพอเราเห็นดวงนี้เรารู้อยู่ที่ดวงนี้นะมีสติรู้อย่างสบายๆดวงนี้สวยงามนะผ่องใสเหมือนแก้วสวยงามเห็นแล้วมีความสุขตัวดวงสว่างนี่เรียกว่าปฏิภาคนิมิตะเห็นไหมไม่ใช่ตัวลมแท้ๆแล้วกลายเป็นรู้นิมิตและวธรรมชาตไม่ใช่รู้ตัวลมนะธรรมชาตสุดท้ายไปรู้ตัวนิมิต มีนิมิตขึ้นมาแล้วก็รู้นิมิตไปนิมิตนี้สวยงามนิมิตนี้ย่อได้ขยายได้นะเปลี่ยนแปลงได้ตามใจชอบมีความสุขเห็นแล้วมีความสุขเห็นแล้วมีความสุขนะจิตก็มีปีติขึ้นมาจิตเนี่ยมันมีความสุขที่ได้รู้นิมิตนี้เพราะฉะนั้นจิตเนี่ยมันจะเกาะอยู่กับนิมิตนี้โดยที่ไม่ได้เจตนาเรียกว่ามันมีวิตกคือมันตรึกถึงตัวนิมิตนี้จิตนี้จะเคล้าเคลียอยู่กับตัวนิมิตนี้เรียกว่าวิจารณ์ จิตจะมีปีติมีความสุขขึ้นมามีเอกักาตาขึ้นมาแล้วนภะาวนาต่อไปอีกนะจิตจะเห็นเลยว่าจิตยังถลําไปเกาะอยู่กับ น, นิมิตเนี่ยไม่ค่อยได้อะไรขึ้นมาก็สังเกตอีกนิมิตนี่เป็นของถูกรู้ถูกดูนะจิตมันถอนออกจากนิมิตมันละวิตกละวิจารณเสะนะมันเข้ามารู้อยู่ที่ตัวรู้ตัวรู้คือเอกโกทิภาวะถึงผุดขึ้นในฌานที่สองนะเอกโกทิภาวะ คือตัวสัมมาสมาธิแท้แท้นี่เองเกิดในฌานที่สองตัวนี้จะเป็นแค่ตัวรู้เป็นธรรมชาติรู้แล้วจนะทำฌานสูงขึ้นไปก็ได้หรือจะอยู่แค่นี้ก็ไดนะ้พอออกจากตรงนี้แล้วเนี่ยอำนาจของสมาธิที่เราทํานี้ยังทรงอยู่อีกช่วงหนึ่งนะจิตของคนซึ่งเดินมาถึงตรงนี้เนี่ยถอยออกมาแล้วมันจะมีตัวรู้อยู่อยู่ได้เป็นวันวันแต่ไม่เกินเจ็ดวัน ถ้าคนในเกินเจ็วันต้องรู้เลยว่าไปประคองตัวรู้ไว้ละวพิดีกร์ละเพราะันอยู่ไม่นานหรอกอยู่วันสองวันอย่างเงี้ยวันสองวันเสื่อมไปแล้วก็ทําเอาใหม่อย่าอยากทําถ้าอยากให้ได้ดีอย่างเดิมมันจะไม่ได้นี่ฝึกไปเรื่อยจนจิตมันชํานาญนะมันรู้จักตัวรู้ชํานาญต่อไปถึงไม่ทรงฌานอยู่นะนึกถึงมันก็มีอยู่ละนี่มันชํานาญแล้วมันคือสภาวะที่รู้นั่นเอง นี่พอมีสภาวะที่รู้แล้วมาเดินปัญญาต่อเห็นกายมันทํางานทาไมต้องดูกายถ้าดูจิตนะมันจะนิ่งไปเลยเพราะว่าจิตนะั้นมันทรงตัวอยู่เป็นตัวรู้ไปแล้วมันไม่คิดไม่เนึกไม่ปรุงไม่แต่งอะไรแล้วถ้าอยู่ๆไปดูใส่ตัวจิตมันก็จะไม่มีอะไรให้ดูมันว่างๆนิ่งๆไปเพราะฉะน้นพอจิตทรงฌานนะถอยออกมาเนี่ยควรจะมารู้กายหรือรู้เวทนาอย่าไปดูจิต ดังนกายและเวทนาเนี่ยเหมาะกับสมถาีายานิสพวกที่ไม่มีสมาธิไปดูกายก็ไปเพ่งกายไม่มีจิตที่ทรงตัวเป็นคนดูอยู่จิตกับกายยังไม่แยกออกจากกันถ้าจิตกับกายไม่แยกออกจากกันเรียกว่าแยกรูปแยกนามไม่ได้แยกรูปแยกนามไม่ได้อย่ามาพูดเรื่องวิปัสสนาเพราะการเจริญปัญญานะยานตัวแรกเลยชื่อนามรูปปริเฉทยานแยกรูปแยกนามออกมากายอยู่ส่วนกายนะจิตอยู่ส่วนจิต จิตมันตั้งมั่นเป็นคนดูเห็นกายมันทางานแต่ถ้าจิตมันเผลอไหลไปที่อื่นนะสติก็ะระลึกได้อีกรู้ทั้งกายรู้ทั้งจิตนะไม่ให้เพ่งอยู่แต่กายอย่างเดียวนี่สำหรับคนซึ่งทำสมาธิเต็มรูปแบบอีกวิธีหนึ่งสำหรับคนซึ่งทำสมาธิเต็มรูปแบบไม่ได้นะให้มีสตินี่แหละรู้ความรู้สึกของเราไปอย่าไปดูกายนะให้ดูจิตเอา ถ้าดูกายนะีพวกที่จิตไม่ตั้งมั่นไม่มีสมาสมาธิมันจะถลํมไปเพ่งกายอย่างที่ไปเดินจงกรมยกเทา้าย่่งเท้าก็ไปเพ่งเท้ากันไปดูท้องผ่องยุบก็เพ่งท้องไปรู้ลมหายใจก็ไปเพ่งใส่ตัวลมไม่ได้เห็นตัวนิมิตเลยหรอกแต่ว่าไปเพ่งใส่ตัวลมเพ่งตรงๆก็ไปที่ตัวอารมณ์การเพ่งอารมณ์ตรงๆนะได้ได้แค่สมถะได้แค่สมถะ มีสมาธินะก็ไม่ได้สมาธิที่จะไปเดินปัญญาอะไรนิ่งๆทื่อๆไปงั้นเองสงบไปงั้นสงบแบบไม่ฉลาดเรียกสงบแบบโง่ๆแต่ถ้าใจมันตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเนี่ยมันสงบนะแต่สงบแบบฉลาดเพราะมันเดินปัญญาอยู่เห็นรูปเห็นนามเห็นกายเห็นใจมันทำงานเฉะั้นคนไหนทําชาญไม่ได้นะดูจิตไปดูจิตไปเดี๋ยวจิตก็สุขเดี๋ยวจิตก็ทุกข์เดี๋ยวจิตก็ดีเดี๋ยวจิตก็ร้าย ถ้าทําชาญได้จิตจะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงจิตจะนิ่งลูกเดียวเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงดูไตรลักณไม่มีแต่ถ้าไม่ได้ทำฌานไว้นี่ยจิตจะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วมีสติตามดูมไปตรงนี้ถามว่ามีสมาธิไหมถ้าจิตไม่ไหลตามไปนะเช่นความโกรธเกิดขึ้นจิตเห็นความโกรธเกิดขึ้นสติระลึกรู้ความโกรธที่เกิดขึ้นแต่จิตไม่ไหลตามความโกรธเข้าไปจิตไม่หลงยินดีจิตไม่หลงยินร้าย ขณะนั้นจิตมีสัมมาสมาธิแต่เป็นสัมมาสมาธิชนิดที่เรียกว่าคณิกะสมาธิชัวขณะมีทีลักขณะทีลักษณะพวกที่ชอบเข้าสมาธินั้นจะดูถูกคณิกะสมาธิทั้งๆ ท, ที่คณิกะสมาธินี่แหละเป็นสมาธิที่ใช้ทํำวิปัสสนาได้ดีที่สุดเลยเพราะอะไรเพราะว่าสภาวธรรมนะจะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วก็รวดเร็วไม่ได้เป็นนิ่งค้างอยู่สวันสามคืนก็สงบอยู่อย่างนั้นเสียเวลา จะดูถูกคณิกะสมาธินะคนบรรลุมรรคผลนิพพานส่วนมากก็มาด้วยคณิกะสมาธิแหละคนที่ทรงฌันแล้วก็บรรลุมีไม่มากเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนธรรมดาอย่างเงี้ยดูไปธรรมดาธรรมดาถึงเป็นพระอราหันต์ท่าก็เรียกว่าเป็นพระอรหันต์ชนิดสุขวิปสัสสกะมีเยอะพระอราหันต์ชนิดเตวิชามีวิชาสามมีฉลพิญญาพิญญาหกจตุปฏิสัมพิทาสี่อะไรเงี้ยมีน้อย ยิพวกปฏิสัมพิทานนี่น้อยพวกที่แตกฉานมีไม่มากอะ่ะงั้นส่วนใหญ่นะมัก็บรรลุกันด้วยธรรมดานี้แหละใช้ของธรรมดานี้แหละเพราะว่าส่วนใหญ่ไม่มีของวิเศษอะไรเล่นหรอกงั้นอย่าไปดูถูกมันนะเราแค่มีสติเป็นขณะขณะขณะไปนะแล้วเวลาสติไปรู้อะไรเข้าใจอย่าถล่มลงไปรู้ใจเป็นแค่คนดูอยู่สบายสบาย นะเช่นความโกรธเกิดขึ้นสติะระลึกได้ว่าความโกรธเกิดขึ้นจิตอย่าถล่มไปที่ความโกรธดูห่างห่างหัดทําตัวเป็นคนดูห่างห่างเหมือนคนดูบอล น, นะนั่งบนอั ธ, ธจันทร์อย่าไปอยู่กลางสนามเดี๋ยวเจอเท้า22คูนะ่เจอเยอะแยะเหดูห่างห่างหรือเราดูละครดูห่างห่างเห็นละครมันเล่นอยู่บนเวทีเรานั่งอยู่นอกเวที แต่เดี๋ยวนี้คอ น, คอนเสิรต์ตคอนเสิร์ตอะไรรู้สึกว่ามันจะดูคนมั่วๆใช่ไหมมันก็โดดเข้าไปเล่นอะไรกันเต้นกัน ย, ย่งยองแยงย่องแยงไอ้อย่างนั้นไม่เอานะางนั้นคนสมัยใหม่นี่กระทั่งการละเล่นนะก็ไม่ส่งเสริมสติเลยนะกระโดดเข้าไปคลุกวงในตลอดก็แนละ้วดูห่างๆนะดูห่างๆอะไรเกิดขึ้นเราดูไปสบายๆดูเหมือนเห็นคนอื่นทํางานอยูนะ่อย่างเราเห็นคนอื่นเดินใช่ไหมมันอยู่ห่างๆมันไม่ใช่เราเราอยู่ห่างๆ ง, งั้นดูไปแบบห่างๆนะ ใจอยู่ต่างหากนี่เรียกใจมันตั้งมั่นในการรู้ถ้าใจไม่ตั้งมั่นใจจะถลําเข้าไปเช่นไปรู้ลมหายใจจิตจะถลําไปอยู่ที่ลมหายใจไปรู้ท้องพองยุบจิตจะไหลไปอยู่ที่ท้องไปเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าจิตไหลไปอยู่ที่เท้าตามองเห็นรูปจิตไปกําหนดอยู่ที่ตาบ้างที่รูปบ้างที่การกระทบสัมผัสระหว่างตากับรูปบ้างที่ความรับรู้ทางตาบ้างเนี่ยไปจอนิ่งๆอยู่ที่ใดที่หนึ่งเนี่ยตรงตาเห็นรูปน้ําผิดได้สี่แบบ อูได้ยินเสียงก็ผิดได้สี่แบบเหมือนกันหมดเลยนี่ไม่มีในตำลานะนี่เกิดจากการวิจัยของหลวงพ่อเองงั้นเราคอยรู้สึกไปนะอย่าให้ถลําไปคอยรู้สึกนะเราคอยดูไปเห็นกายมันทำงานเห็นจิตมันทำงานเราดูสบายสบยดูอยู่ห่างๆอะไรก็ตามที่มันอยู่ห่างๆนะมันไม่ใช่ตัวเราทันทีเลยตัวเรามันต้องอยู่ติดกับเราเลยใช่ไมถ้าเราเห็นร่างกายเหมือนเห็นคนอื่น กายนี้ไม่ใช่เราล้วถ้าเราเห็นความรู้สึกสุขทุกข์เกิดขึ้นมาเหมือนเห็นคนอื่นเขาสุขคนอื่นอื่นเขาทุกข์นะความสุขความทุกข์นั้นไม่ใช่เราละถ้าเราเห็นกุศลและอกุศลทั้งหลายเช่นความโลภความโกรธความหลงนั้นมันเกิดขึ้นมาเหมือนเห็นคนอื่นมันโลภโกรธหลงไม่ใช่เราโลภโกรธหลงนะมันจะอยู่ห่างๆนะความโลภความโกรธความหลงไม่ใช่เราละดูไปดูไปนะไม่มีอะไรเป็นเราซักอันเดียวเลยจิตก็เกิดดับทางทวารทั้งหก เกิดที่ตาก็ดับที่ตาเกิดที่หูดับที่หูเกิดที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจเกิดที่ไหนดับที่นั้นงันไม่ต้องมาถามว่าเราจะจิตไปตั้งไว้ที่ไหนจิตไม่ต้องตั้งไว้ที่ไหนหรอกจิตเกิดที่ไหนจิตก็ดับที่นั้นมันไปตั้งไว้ที่ไหนไม่ได้ถ้าจงใจเอาไปตั้งไว้ที่ใดที่หนึ่งก็เป็นสมถะอีกทางที่ผิดเนะเยอะเต็มไปหมดเลยทางที่ถูกมีนิดเดียวงั้นเวลาท่านผู้ใดผู้หนึ่งบรลุพระอรหันต์นะจะท้อใจในการจะสอน ว่าคนคนหนึ่งจะบรรลุขึ้นมาได้ถึงขีดสุดได้นะเหมือนจะพยายามต้อนช้างเข้าลูเข็่มกันเลยว่ามันสุดวิสัยนะมันยากแต่ว่ามันไม่เหลือวิสัยจริงๆหรอกเพราะฉะนั้นคนที่เขาทํามาได้นั่งก่อนจะทํามาได้เขาก็ล้มลุกลุกคลานเหมือนพวกเราทุกคนนั่นแหละไม่มีใครดีใครวิเศษล่กอก็ลองไปอ่านประวัติครูบาอาจารย์แต่ละองค์แต่ละองค์ะงนะกว่าจะได้ก็ล้มลุกลุกลกานมาแล้วทั้งนั้นนะบางองค์ล้มลุกคลุกลานจริงๆนะเช่นหลวงปู่เทเ ท่านตกเขาท่านเดินท่านไม่ได้ท่านต้องคลานอย่างนี้นี่เรียกล้มลุกคลุกคลานเขาท่านหน้าแข้งท่านกระแทกก้อนหินเป็นแผลลึกเลยเดินไม่ได้นะอยู่ในป่าดเดินไม่ได้ทํำยังไงก็ต้องพยายามเดินถ้าไม่เดินตายแน่นอนต้องอดตายอยู่กลางป่าเดินไปตั้งนานก็ไม่มีข้าวฉันนะต้องเป็นวันวั น, วนหลายๆวันอย่างเนี้ยลําบากมากนั้นดูครูบาอาจารย์แต่ละองค์แต่ละองค์กว่าท่านจะได้ดิบได้ดีขึ้นมานั้นะท่านล้มลุกคลุกคลาน เพนพวกเราจะทำแล้วก็ล้มเหลวบ้างอะไรบ้างนะก็อย่าท้อใจนะวันนี้แพ้ก็ไม่เป็นไรนะแต่ต้องสู้วันหนึ่งจะได้ชนะถ้าแพ้แล้วขี้แพ้ยอมแพ้ปไปเรื่อยโอ้เราไม่มีวันหรอกเราไม่มีวาสนาหรอกไม่มีแน่นอนโง่โ ง, ง่นี่มาแต่คิดว่าเราไม่มีวาสนาทราทำไม่ได้หรอกคิดอย่างนี้นะ มีสนใจมันจะทําได้เมื่อไหร่นะมีหน้าที่ทําก็ทําไปมีหน้าที่มีสติรูกร้กายรู้ใจรู้มันรูปเดียวเลยมันจะได้เมื่อไหร่เรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราต้องใจถึงขนาดนี้นะสำนวนหลวงพ่อนะเวลาสอนตัวเองเรื่องมึงไม่ใช่เรื่องกูนะไม่ใช่เรื่องของเธอเรื่องของฉันหรอกนะโอจิตเหรอมึงจะรู้อะไรเรื่องมึงมึงไม่รู้เพราะชออ่างมึงนะมึงจะตกนรกก็ช่างมึงกูจะดูอย่างเดียวละนะนี่เราสำนวนนักเลงหน่อย จะว่านักเลงก็ไม่ได้นะนี่สุภาพเหมือนกันแต่สุภาพสมัยพ่อขุนรามเนาะแต่พูดกับคนอื่นเราก็ไม่ได้พูดอย่างนี้หรอกเดี๋ยวมั น, ะนมตกใจเพื่อนถามว่าหลวงพ่อเคยท้อไหมเคยเคยขี้เกียจไหมเคยเคยเบื่อไหมเคยแจะทําไงอะท้อดูวะท้อรู้ว่ทาท้อป่ะไม่เลิกหรอกกูจะดูมึงแลมึงจะท้อสักเท่าไหร่นี่นะขี้เกียจไหมมีทําไมจะไม่ขี้เกียจโถร อยากไปดูหนังฟังเพลงกับเขาเหมือนกันบางทีแต่ก่อนโน้นนะขี้เกียจแล้วดูมาหลายวันแล้วเบื่อเบือ่อขี้เกียจ ร, รู้ว่าเบื่อขี้เกียจ ร, รู้ว่าขี้เกียจดูมลูกเดียวเลยไม่เลิกหรอกเนอะใจถึงถึงนะสู้ตายเลยดูมลูกเดียวเลยนะจะดีหรือจะเลวอะไรก็ขอให้มันเห็นคาหนังคาเขาอยู่อย่างนี้เลยคนะอยตามรู้ตามโดียจิตของเราไปเรื่อยบางทีหมดเรื่องหมดแรงดูไม่รู้เรื่องดูไม่รู้เรื่องดูกายไปนะ ที่หลวงพ่อเคยเล่าไปทํางานทํางานมากคิดมากหัวหมุนไปหมดแล้วเดินไปห้องน้ําดูจิตไม่ได้เนี่ยเห็นร่างกายเป็นเดินไปห้องน้ําไปถึงห้องน้ําก็ต้องไปยืนปัสสาวะใช่ไหมผู้ชายไม่ได้นั่งปัสสาวะนี่ก็ยืนพอปัสสาวะไปสักหน่อยหนึ่งจิตเริ่มมีความสุขแล้วทาไมมีความสุขเพราะเราเข้าไปในห้องสุ ข, ขานีมันมีความสุขนะเออพอขับถ่ายแล้วมีความสุขปุบเห็นจิตที่มีความสุขนี่กลับมาดูจิตแล้ว นะตอนขาเดินไปห้องน้ํานะดูไก่เดินแบบค้ากราบดูจิตกลับมาแล้วใชเนะี่ยฝึกมากเลยนะวันไหนฟุ้งดูไม่รู้เรื่องก็ทําความสงบเข้ามานะทำความสงบหลวงพ่อก็มีเครื่องช่วยนะก่อนนี้วันไหนดูไม่สงบง่ายๆนะง่ายมากเลยไปหาเหรียญหลวงปูวแหวนมาสักอานอะไรเงี้ยนะมานั่งดูแปบ๊บเดียวสงบแล้วนะ งั้นบางทีครูบาอาจารย์บางองค์ท่านเลยทำพระไว้อย่างหลวงปูดงป่ดูหลวงปู่ดูเนี่ยท่านทำพระไว้ให้ลูกศิษย์มาดูนะ่ะจิตจะได้มีสมาธิานั่นเองฟังละครั้งทีเปล่าไหมเขาเลยเลิกตี <c oughs> สังเกตแม่ใจเราเปลี่ยนตลอดดูออกไหมเดี๋ยวก็สนุกเดี๋ยวก็มีความสุขตอนนี้มีความสุขรู้สึกไหม สังเกตไม่ความสุขเริ่มลดลงกลายเป็นนิ่งๆแทนรู้สึกไหมเออมันนิ่งไปแล้วรู้สึกไหมฟุง้งซ่านนี่พาดูเป็นกลุ่มๆแล้วนะทีละคนดูไม่ได้นะดูไม่ทันละไม่ใจเราเปลี่ยนจากความสุขมาเป็นความสงบทาไมความสุขเปลี่ยนมาเป็นความสงบความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิ สงบแล้วอยู่ได้ไม่นานหรอกจิตมีธรรมชาติคิดนึกปรุงแต่งสงบได้เดียวๆนะชั่วขณะเทะนะ่านั้นก็เริ่มฟุง้งหน้าที่เราไม่ใช่ต้องการสงบตลอดเวลาหน้าที่เราก็แค่ตามรู้ปัจจุบันไปจิตมีความสุขรู้ว่ามีความสุขจิต ม, ม, มีความสงบงส ร, รู้ว่ามีความสงบจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านเราตามดูของเราเรื่อยไปถึงวันหนึ่งปัญญาจะเกิดขึ้นจิตนี้มันไม่ใช่ตัวเราหรอก จิตมันทํางานของมันได้เองสารพัดเราบังคับมันไม่ได้เนี่ยเราเฝ้ารู้ไปในสุดปัญญาก็เกิดเราเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราเราบังคับไม่ได้นะการภาวนาต้องมาสู่จุดนี้คือจุดที่เห็นว่าใากับใจไม่ใช่ตัวเราอย่าภาวนาไปสู่จุดอื่นเราไม่ได้ภาวนามุ่งให้จิต ด, ดีจิตสุขจิตสงบส่วนใหญ่มุ่งไปสู่ตรงนั้นบางคนภาวนาน่าสงสารกว่านั้นอีกภาวนาว่าไปนั่งสมาธิโต้รุ่งจะต้องไม่เมื่อย เขไม่เห็นยากเลยนะพี่ฉีดยาชาแล้วก็นอนแองแงอยู่งั้นนะหรือให้เขาบล็อกไขสันหลังแล้วก็นั่งไปไม่เมื่อยหรอกนะนะกายมันมีหน้าที่เมื่อยกายมันมีหน้าที่ทุกไม่ได้ฝึกให้มันไม่ทุกไม่ได้ฝึกให้มันไม่เมื่อยแต่ฝึกให้เห็นความจริงเลยว่ากายนี้มันไม่ใช่ของดีของวิเศษกายนี้ไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงเป็นวัตถุเป็นส่วนหนึ่งของโลกไม่ใช่ตัวเรานะ จิตนี้เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาห้ามมันไม่ได้บังคับมันไม่ได้เลือกมันไม่ได้มันไม่ใช่ตัวเราหรอกมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุของมันไม่ใช่ตามที่เราสั่งตามใจชอบเพราะฉะนั้นการภาวนานะมุ่งมาสู่จุดนี้จุดที่ให้เห็นว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกอย่าไปมุ่งไปที่อื่นถ้ามุ่งไปที่อื่นผิดแน่นอนเช่นมุ่งบังคับกายบังคับใจนี่ผิดแน่นอนส่วนใหญ่ของผู้ปฏิบัติมุ่งบังคับกายบังคับใจ บังคับจิตให้นิ่งบังคับจิตให้สงบบังคับว่าต้องมีความสุขบังคับร่างกายเธอต้องนั่งได้นานๆเธอต้องเดินจงกรมนะเธอต้องเดินท่านี้ด้วยนะอเธอต้องหายใจแบบนี้นะหายใจมาตั้งแต่เกิดสบายๆไหมพอกําหนดลมหายใจผิดธรรมชาติก็อึอดอัดอีกแล้วเคยเดินสบายๆเขาไปเดินท่าที่อาจารย์สั่งผิดธรรมชาติของแต่ละคนแต่ละคนเดินไม่เหมือนกัน แต่ละคนเดินไม่เหมือนกันนะจุดที่จะเหมือนกันอย่างเดียวสําหรับคนที่จะเป็นพระอัยยะก็คือเดินด้วยความรู้สึกตัวเดินแล้วเห็นร่างกายมันเดินไปเดินแล้วเห็นจิตมันหนีไปคิดเดินแล้วรู้ทันจิตไปเพ่งอยู่ที่กายก็รู้จิตนี้ไปคิดก็รู้ถ้าไม่รู้จิตก็รู้กายเห็นกายมันเดินเนี่ต้องฝึกอย่างนี้นะเพื่ออะไรเพื่อวันหนึ่งจะเห็นว่ากายก็ไม่ใช่เราจิตก็ไม่ใช่เราไม่ให้ฝึกเอาเดียวสูขเอาสองบอะไรหรอก จับหลักให้แม่นนะแล้วการพาวนาจัางง่ายเรียนกับหลวงพ่อเนี่ยคนจะเข้าใจอย่างรวดเร็วเลยแล้วพัฒนาอย่างรวดเร็วมากเลยเพราะหลวงพ่อเวลาสอนธรรมะนี่หลวงพ่อสอนทั้งทั้งระบบสอนตั้งแต่ต้นจนปลายเลยเราจะเห็นภาพเลยว่าการปฏิบัติแต่ละขั้นแต่ละตอนเราอยู่จุดไหนเราจะทําอะไรทําอะไรเพื่ออะไรเรารู้ตลอดเลยนะส่วนการเรียนแต่ก่อนลาบากนะครูบาอาจารย์แต่ก่อนถ้าไม่พูดเยอะหรอกท่านสอนเหมือนให้จิ๊กซอว์มาตวง อยู่ๆก็โยนอะไรตัวหนึ่งมีเบี้ยวๆไปมีว่าวๆแหว่งๆอะไรมามาดูอยู่นั้นไม่รู้จะไปทําอะไรไปอีกวัดนึงได้มาอีกอันหนึ่งต่อกันไงมา <laughs> ไปหาอาจารย์แต่ละทีนั้นได้มาทีละตัวสองตัวนะั้ไม่รู้อยางไปทําอะไรนะั้นที่หลวงพ่อสอนเนี่ยหลวงพ่อสอนให้เห็นทั้งระบบ สอนตั้งแต่เบื้องต้นสอนตั้งแต่ท่ามกลางสอนจนถึงที่สุดนะธรรมะของพระพุทธเจ้านะั้นต้องแสดงอย่างนี้นะมีเบื้องต้นมีท่ามกลางมีที่สุดมีเหตุมีผลลิงก์กันไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเวลาเรียนอย่างง่ายเราจะเห็นทั้งระบบพอ เ, เห็นทั้งระบบเรารู้เลยว่าเราควรจะภาวนาอย่างไงจริตนิสัยของเราอย่างนี้เราควรจะเริ่มต้นอย่างไงเราเริ่มต้นแล้วจิตของเรามาเป็นอย่างนี้มันถูกหลักหรือมันผิดหลักเราจะเช็คได้ด้วยตัวเองเช่นภาวนาแล้วจิตนิ่งเลยนะ นิ่งเลยหรือภาวนาแล้วก็น้อมจิตให้ซึมถ้าภาวนารู้หลักเราจะรู้เลยไม่ใช่หรอกนะมันเป็นการดัดแปลงจิตให้นิ่งกว่าความเป็นจริงไม่ใช่การรู้กาย ร, รู้ใจตามความเป็นจริงม่นเรียนเอาหลักให้ได้นะหลวงพ่อครึ่งวันไอ้ครึ่งแรกเนี่ยหมายถึงช่วงเช้าทุกวันทุกวันนี้จะพยายามสอนหลักสอนซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกจนกระทั่งหลักของเราแม่นพอหลักเราแม่นต่อไปแล้วการภาวนาของเราจะง่าย สมัยพุทธกาลสังเกตไหมพุทธเจ้าก็ไม่ค่อยได้สอนหรอกนะว่าเอาจิตไปไว้ตรงนั้นสิเอาจิตหลบไปตรงนั้นสิไม่มีนะไปเดินท่านี้สิไม่มีนะพุทธเจ้าสอนหลักหรืออกไหมไปดูในพระใจปิดกท่านเทศหลักทางนั้นเลยเราคนรุ่นหลังงงนะท่านเทศหลักแล้วทําไมบรรลุมรรคผลนิพพานได้ทํำไมเห็นสภาวะอย่างนั้นอย่างนี้ได้ที่หลวงพ่อเทศหลักให้ฟังพวกเรารู้สึกไหมเดี๋ยวภาคที่สองเคยดูตอนส่งกันบ้านเนะี่ยกลายเป็นเรื่องสภาวะล้วนๆเลยไม่ใช่เรื่องหลักแล้วนะ ลหลวงพ่อจะต้องมาแก้ให้กลับเข้ามาเข้าหลักให้ได้เวลาออกนอกหลักไปงั้นเรียนหลักให้แม่นและช่วยตัวเองให้ได้การรู้หลักให้แม่นพี่ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรเนี่ยแล้วเราคอยเช็คตัวเองนะนี่แหละเรียกว่าโยนิโสมานสิการแยบขายในการพิจารณาตัวเองว่าอยู่ในร่องรอยของการปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าสอนหรือเปล่าโยนะิโสมานสิการสําคัญมากนะคนไหนไม่มีลําบากเชิญไปทานข้าวนิมนต์เลยครับนิมนต์ นิมนต์ท่านอาจารย์เลยครับ